ซีดีแผ่นที่10ของหลวงพ่อก็คงจะออกโดยลําดับตั้งแต่แผ่นหนึ่งแผ่นนี้เป็นแผ่นที่สิบซีดีแผ่นที่10ตั้งชื่อหัวข้อว่าชีวิตหนึ่งดวงใจท่องไปในโลกกว้างชีวิตหนึ่งดวงใจท่องไปในโลกกว้างคือคนเราก็คือชีวิตหนึ่ง แต่ก็มีดวงใจอยู่ดวงหนึ่งเข้าในคือนามธรรมตัวนามธรรมตัวนั้นแหะจะท่องไปในโลกกว้างโลกวัตะสงสารโลกวัฏตะตั้งแต่พรมสวรรค์มนุษย์สัตว์ที่รา้ฉาัเปรตนรกไปได้ทั้งนั้นชีวิตคือวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะไปถึงก่อนที่จะไปอย่างนั้นพวกเราควรจะ หาที่เกาะหาที่พึ่งให้แก่ดวงใจหรือนามธรรมของตนเองถ้าว่าพวกเราไม่หาที่เกาะที่ยึดให้แก่ดวงใจดวงใจนี่ก็เป็นดวงใจที่เร่ร่อนเป็นดวงใจที่หาที่เกาะที่ยับยั้งไม่ได้เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาก่อนที่จะมีที่ยับยั้งหรือมีที่เกาะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นต้อง ต้องศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนั้นก็คือได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประสบพบเห็นหนทางที่จะทําให้จิตใจที่ว่าจะท่องไปในโลกกว้างนั้น <c oughs> เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากกิเลสได้ต้องอาศัยการศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมา ในโลกกว้างนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังมีหลายอย่างจะดูหนังสือก็คือการศึกษาแต่สมัยก่อนในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมแก่พุทธบริษัท4ในตอนเย็นแล้วว่าสายันเหธธรรมเทสนังคือพระสงฆ์พร้อมญาติโยมตอนหัวค่าพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังเป็นประจำ ถ้าพูดถ้าพวกเราได้ศึกษาในหนังสือพระไตรปิฎกหรือว่ากิ จ, จวัตรประจําวันของพระองค์พระองค์ทํำยังไงตอนหัวค่าทํำยังไงตอนเที่ยงคืนทํำยังไงตอนจวนสว่างทํำยังไงอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นเราจะได้รู้ว่ากิ จ, จวัตรของพระพุทธองค์นั้นท่านปฏิบัติพระองค์อย่างไรท่ด้มาพูดถึงเ อ, อที่พวกเราได้ศึกษาได้อ่านในหนังสือ ราชประเพณีของวงจักรกลีหรือว่าของเมืองไทยเราอย่างรัชกาลที่สามอย่างนี้ท่านก็ถือเป็นราชประเพณีพระองค์จะทรงฟังธรรมเทศนาทุกวันในเมื่อมีโอกาสจะไม่ให้ขาดคือฟังธรรมเทศนาทุกวันอันนี้คือประดับสติปัญญาของพระองค์ท่านนี้พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อว่าในชีวิตประจาวันของพวกเรา ก็ไม่ควรจะห่างเหินต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะบ้างแต่ส่วนอื่นนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังกอกเชา้ากอกเย็นทั้งวันทั้งคืนเว้นเสียตลับจึงไม่ได้ยินในเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านั้นโดยมากมันเป็นเรื่องของวัตตะที่จะทำให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมากับกิเลสราคะโทสะโมหะเหล่านั้นแต่นี่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังธรรมะทำคาสั่งสอนของ พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอจารย์ที่ท่านแสดงธรรมให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังต่างกลําต่างวาระต่างองค์ถ้าว่าท่านผู้ใดเคารพนับถือครูบาจารย์ท่านใดครูบาอจารย์องค์ไหนที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยควรจะฟังธรรมเทศนาของท่านบ้างแต่ละวันอย่างน้อยก็ถ้าไม่ทุกวัน ก็ให้เป็นวันพระ8คำ่ำ15บหาค่ำหรือวันเสาร์อาทิตย์ที่พวกเราว่างก็น่าจะฟังให้พระไร้เทศได้สอนบ้างเพื่อจะนําพระธรรมคําสั่งสอนนั้นนํามาประพฤติปฏิบัติประปรุงกายวาจาใจของเราถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินพระธรรมคําสั่งสอนหรือไม่ได้ยินพระพูดพระเทศจะเลยทางว่าได้ยินพระท่านพูดแต่ ว, ว่าเทศอย่างนี้เป็นไม้เบือ่อไม้เมาสําหรับพวกเราแล้วพวกเราจะหวังความสุข ความเย็นใจทั้งด้านจิตใจคงจะเป็นอย่างนั้นได้ยากเพราะนั้นถ้าหากว่าทางที่ดีตามที่หลวงพ่อว่าแต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ฟังเทศของหลวงพ่อทุกวี่ทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นจะองค์ไหนก็ได้ที่ท่านแสดงธรรมฟังดูแล้วมีกฎมีเกณฑ์มีเหตุมีผลพวกเราก็ควรจะฟังและศึกษาติดตามธรรมเทศนาของท่านแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรา หรืออย่างน้อยที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวรูหัวหน้ากิจการงานดรือหัวหนา้าที่จะอบรมแนะนําสั่งสอนลูกน้องเราเอาหลักธรรมะเข้ามาแนะนําสั่งสอนลูกน้องเหล่านั้นก็จะคงจะเชื่อฟังเอที่เป็นผู้ใหญ่พูดว่าธรรมะ เ, เป็นหลักเหตุผลเมื่อเราเอาหลักเหตุผลมาพูดกันแล้วไม่เชื่อฟังกันอันนี้แปลว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ถ้าว่าเอาเหตุผลมาพูดให้กันฟังลูกน้องยอมรับต้องเป็นลักษณะอย่างนั้น เพราะใครๆก็ต้องยอมรับเหตุและผลเว้นเสียแต่คนนั้นดันทุลังเกินไปอันนั้นมันก็มีอยู่บ้างแต่โดยมากคนเราเนี่ก็ถ้าว่ามีเหตุมีผลแล้วก็ต้องยอมรับและยอมฟังซึ่งกันแหละกันท่านเนียว่าการฟังคนจัดว่าเป็นสีประเภทในการฟังถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนแก้วชาหรือถ้วยน้ำชาถ้วยชาอยู่ในจานไม่อยู่สี่ใบ ใบหนึง่งคว่มปากจะเทน้ำชาเท่าไหร่มันก็ไม่ขังเพราะมันคว่ำความปากลงไปแล้วเทยังไงก็ไม่เข้าอันนี้ประเภทนี้คื อ, ค, อคนไม่ยอมรับฟังเหตุและผลถึงยังไงมาเหตุดีผลดียังไงไม่ยอมรับทางนั้นอันนี้แปลว่าประเภทถ้วยน้ำชาคว่มปากลงไปสู่จานจะเทน้ำชาขนาดไหนถ้วยน้ำชานั่นก็ไม่รับ ประเภทถ้วยน้ําชาที่สองหงายปะแต่ก้นรั่วถึงเทยังไงมงันก็รับไม่อยู่เพราะมันรั่วทางก้นของมันเหมือนกับคนที่ใครพูดที่ไหนฟังหมดฟังหูซ้ายตะลุกหูขวาฟังหูขวาตะลุกหูซ้ายแปลว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอันนี้แปลว่าถ้วยชาถ้วยที่สองถ้วยที่สถ้วยน้ําชาเต็มแก้วถ้วยน้ําชาเต็มแก้ว ถ้าว่าใครพูดให้ฟังเพราะมันเต็มแก้วแล้วมันเอาเข้าไม่ได้ท่นี่พอว่าอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วถ้าว่าเข้ากับความคิดเห็นของตัวเองก็บอกเออเนี่ยเขาพูดนี้ถูกต้องถูกต้องแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมรับตัวเองมีอยู่แล้วถูกต้องแล้วตามที่เราปฏิบัติที่ว่าเราคิดเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะนั่นการพูดเข้ามาที่เขาพูดเข้ามาก็ถูกต้องแล้วไม่จําเป็นจะต้องรับอีกมันถูกต้องแล้ว แต่ถ้างว่าสิ่งใดก็ตามพูดเข้ามาเขาว่าสิ่งนี้ไม่ถูกนะเขาแนะนําเขาให้เหตุผลคนประเภทน้ําชาเต็มแก้วนี่ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ถูกเพราะเราได้ศึกษามาอย่างนี้เหตุผลของคนอื่นผิดหมดเพราะว่าตัวเองพิจารณาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วอย่างนี้ถูกต้องอันนี้เป็นประเภทน้ําชาเต็มแก้วอย่างนี้มีเยอะออบางคนก็เชื่อมั่นในตนเองบางคนก็ได้เชื่อจากครูบาอาจารย์ที่บอกมา แล้วก็ไม่ยอมฟังเหตุฟังผลของคนอื่นแต่อันนี้ไม่ถูกต้องต้องฟังต้องฟังแล้วก็ไตรตรองเหตุและผลมันจึงจะถูกเพราะว่าเหตุผลนั้นไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดบางทีเอาเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ในที่เราได้ศึกษามาเราได้ยินได้ฟังมาประเภทที่สแก้วน้ําชาหงายน้ําชาพ่องไม่มีไม่มีน้ําชาแปลว่าแก้วหงายพร้อมที่จะรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ประเภทอย่างนี้แปลว่า เมื่อเทน้ำชาลงไปน้ำชาเขาก็ไปขังในแก้วนั้นก็พร้อมที่จะไตรตรองเหตุและผลน้ำชานี้ควรดื่มไหมดีไหมเป็นยังไงอันนี้แปลว่าผู้มีเหตุผลหงายปะกรับเหตุและผลถ้าเหตุไม่ดีเราก็ไม่เอาถ้าเหตุดีเราก็รับไว้ด้วยเหตุด้วยผลประเภทอย่างนี้แปลว่าเป็นน้ำชาหรือว่าแก้วชาที่สแต่ส่วนสามใบนั้น ถ้าจะว่าไปแล้วไม่ดีแต่ใบที่สีนี่แปลว่าเข้าในหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ากลามะพร้าวตุ่มโองอะไรก็ตามถ้าคว่าปากลงไปแล้วถึงน้ำฝนจะตกมาทั้งกลับทั้งกันก็ไม่สามารถที่จะขังน้ำได้เพราะว่ามันควา่าปากมันควา่าอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ไม่ยอมรับเหตุและผลแล้วถึงจะพูดธรรมะ ดิบดีขนาดไหนก็ไม่ยอมฟังเหตุและผลนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นถ้วยชาประเภทไหนในสีประเภทนั้นพวกเราน่าจะเป็นถ้วยชาประเภทที่4คือให้พ่องไว้อยู่เสมอแล้วก็ศึกษาฟังไว้ในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างราธพามอย่างเนี้ยบวชเมื่อภายแก่อายุ80ปีอยากจะบวช พระพุทธองค์ก็ประชุมสงฆ์อันนี้พูดอย่างรวบรัดนะประชุมสงฆ์เสร็จแล้วพระสารีบุตรก็รับเป็นผู้บวชให้พระราธพามอายุแปสิบแต่นี้ท่านบวชมาแล้วท่านเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ศึกษาพระสารีบุตรแนะนําสั่งสอนอย่างไรพระราธพามเงียงหูฟังศึกษาไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็นํา ระราตพามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นไงสารีบุตรลูกศิษย์แก่ของท่านเป็นยังไงเขาตั้งใจเขาศึกษาเขาตั้งใจฟังง่ายไหมเขอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไหมเพราะโดยมากผู้สูงอายุจะไม่ค่อยชอบฟังคนอื่นหรือว่าผู้มีอายุน้อยกว่าแนะนําสั่งสอนแต่ภาษาริบุตรกราบทูลพระพุทธองค์ว่าราตพามที่เป็นลูกศิษย์ของข้าพระองค์ เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ยินดีรับฟังเป็นผู้หงายพาชนะคอยรับน้ำหรือว่าคอยรับเหตุผลที่ค้าพระองค์ได้แนะนำสั่งสอนพระพุทธองค์ก็เลยได้ตั้งได้ยกย่องราธพามในท่ามกลางสวงวาดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายเราจะตั้งราธพามนี่ที่ได้รับเอธะคะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย เป็นผู้มีเหตุมีผลในศาสนาของเราตถาคตแต่ท่านถามพระราธพามพระราธพามเขาบอกว่าคนที่ชี้ความผิดของเราเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราเราจะไปโกรธเขาทำไมในเมื่อเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราก็ไปขุดเอาขุมทรัพย์เราก็เป็นคนร่ำรวยขึ้นมาเพราะมีคนชี้ขุมทรัพย์ให้นี่พระราธพามท่านได้คิดอย่างนั้นท่านจึงเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย วันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแผนที่10บหรือตั้งแต่แผนที่หนึ่งมาก็ให้ศึกษาให้ตั้งใจฟังให้เข้าใจจากนั้นก็ให้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องให้ใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวให้ใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวคือธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวถ้าว่าพวกเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วทีนี้เราก็ ใจของเรามีหลักเมื่อใจมีหลักแล้วเราพิจารณาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราก็จะประสบความสุขความเย็นใจชีวิตหนึ่งดวงใจท่องไปในโลกกว้างก็จะถึงจุดจบคือสกัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจิตใจของเราก็จะเข้าสู่แดนอวากาศของจิตของธรรม สำเร็จเป็นพระอาหารหันและจบแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่รู้เท่ารู้ทันใจตรงนี้ก็จะท่องไปในโลกกว้างไม่มีที่สิ้นสุดนานเท่านานไม่มีใครที่กำหนดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าคนที่นอนไม่หลับรู้จักราตีนึงยาวนานคนที่เดินทางเมื่อยล้าแล้วจะรู้จักขนทางโยช์หนึ่งเป็นทุนทางใจยืดยาว แต่คนลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสราคะโทสะโมหะหลงไหลในกิเลสราคะโทสะโมหะจะท่องอยู่ในวัฏสงสารยิ่งยาวนานกว่านั้นคล้ายๆกับว่าไม่มีที่สิ้นจุดไม่รู้ยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกเราท่า น, ท, นทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพุท ธ, ธประพุทธองค์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้มีทานมีศีลมีภาวนาสําหรับครวัตญาติโยม สำหรับพระสงฆ์ให้มีศีลสมาธิปัญญาไตรตรองเหตุและผลพวกเราจะถึงจุดแดนแห่งความเกษมไม่วันไรขอวันหนึ่งแน่นอนการพูดแนะนำซีดีแผ่นที่ส0ก็เห็นว่าคงจะเข้าใจในเรื่องถ้วยชาสี่ใบนั้นและก็ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครอง พวกเราท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ